ภุริโยไทยไขแสงใกล้แจ้งแล้วฝูงวิหกร้องเจยแจ้วสแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภาหมู่ปักษายังขยันมันหากินท่านที่รักจะซบนอนอยู่ใหญ่เล่าตื่นแต่เช้าเพื่อเกาจิตเป็นนิจสินสแสวงหาธรรมพระสัมมาเป็นอาจิน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 ยึดพระธรรมมาประคองกับดวงใจเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยในภายหน้าเป็นปัญญาบารามีชี้แจมใสเพื่อไม่หลงเพลิดเพลินเมื่อเดินไปเชิญท่านซ้ายตื่นขึ้นรับสดับธรรมธรรมารับปรุณวันนี้ธรมาก็จะพูดเรื่องสัพเพราทั่วไปเท่าที่จะคิดได้ธรรมะส่วนใหญ่ที่อรรมาเขียนในเฟซบุ๊ จะเป็นธรรมะของอาจารย์ไปสารซึ่งซึ่งพระอาจารย์ไพศารจะพูดเรื่องการวางใจการวางใจเนี่ยสาคัญมากท่านจะมีการผููหลายมุมมองให้เราคิดเชิงบวกแล้วก็วางใจให้เป็นคนที่ทุกส่วนมากเพราะวางใจผิดแล้วก็คิดผิดซึ่งการจิตสติบางครั้งก็ไม่ก็ไม่พอเพราะเราเจริญปัญญาด้วยการเจริญปัญญาคือคิดให้เป็นถ้าเราคิดไม่เป็นเราก็ทุกข์ เพราะเรามีการปรุงแต่งที่ผิดมีการมองที่บิดเบือนมองไม่เห็นโลกตามความเป็นจริงเพราะว่าฝึกสติอย่างเดียวนั้นยังไม่พอกับการดับทุกข์ต้องเจริญปัญญาควบคู่ไปด้วยธารมาที่เอามาโพสในเฟซบุ๊กก็จะมีเพื่อนๆมาอ่านเยอะมาอ่านแล้วก็แชร์ไปบางคนกำลังทุกข์หาทางออกไม่ได้พออ่านแล้วก็เกิดปิงขึ้นมาหลุดจากทุกข์อันนั้นก็มีบางค น, นยังมีทุกข์ทางใจมากเขียน เขียนมาให้เรามาตอบก็มีหลายคนบางคนก็ทุกข์เพราะว่าสามีไปมีเมียน้อยบางคนก็ทุกข์เพราะลูกบางคนก็ทุกข์เพราะทำงานถูกเพื่อนเบียดเบียนมั่งถูกคนอินทามั่งซึ่งคนเราเนี่ยตัดได้ที่ยังอยู่ใต้โลกธรรมนี้จะต้องมีปัญหาพวกนี้อยู่มีมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบมีสรรเสริญมีอินทามีสุขมีทุกข์แต่ถ้าวางใจไม่เป็นอยากให้ มันเที่ยงเราต้องทุกข์ละเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไตลักษณเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือเป็นเช่นนั้นเองอย่างหลวงพ่อพุทธทาตสท่านจะท่านจะให้ธรรมะสามคำสั้นๆคือเช่นนั้นเองมีคนไปถามท่านว่าอะไรคือหัวใจของพระพุทธศาสนาบางท่านก็บอกว่าเป็นอริยสัจสี่บางคนก็บอกว่าเป็นโอวาทปาธิโมกซึ่งท่านบอกว่ายาวไปเอาสามคำก็พอ คือตัศตาหรือเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองนั้นแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยจนถึงมรรคผลนิพผานเลยระดับชาวบ้านก็แก้ได้ถ้าเข้าใจคําว่าเช่นนั้นเองคือยอมรับความเป็นจริงของธรรมชาติคือยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นถึงขา่าวถึงคาวมีลาบเราก็ไม่ดีใจจนเกินไปคือไม่ดีใจจนแบบว่าจนเวอร์ถึงคาวเสีย เสียราบสูญเสียสิ่งของเราก็ไม่ทุกข์ใจเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าของพวกนี้อยู่กับเราเดี๋ยวก็ต้องไปถึงคราวมียศมีหน้าที่การงานที่ดีเราก็ไม่หลงดีใจไม่หลงละเลงเพราะสักวันหนึ่งเดี๋ยวอาจจะมีคนมาแทนเราก็ได้ซึ่งสมบัติภัยกันชมเราก็วางใจได้เราก็ไม่ทุกข์แล้วก็เรื่องการดินทานนี่เป็นสมบัติของโลกเลยถ้าไม่ให้คนดินทานี่ พาธิต้องขึ้นเปลี่ยนทางหรือแม่น้ําก็เปลี่ยนสายอะ่ะพระพุทธเจ้ายัางโดนดินทาอย่างสุทรผู้แต่งกรไม่ดีอารามาก็ชอบนั่นแต่งไว้ว่าการดินทากาเลเหมือนเทน้ําไม่ชอกช้าเหมือนลอยมีที่กีดหินแม้องค์ปฏิมาอย่างลาคินมนุษย์เดิดินหรือจะสิ้นคําดินทาการดินทานี้มีอยู่คู่โลกคนที่ไม่คนไม่โดนดินทาไม่มีในโลก ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ขนาดไหนก็โดนดินทามหมดหลวงพ่อบเบลทานเมื่อก่อนโดนดา่าตอนเผยแพร่ธรรมะท่านโดนด่าทั้งเมืองเลยนะแต่ท่านก็อยู่ท่านก็ได้ดีเพราะถุดโดนดา่าพืดด่าแล้วไม่ค่อยตรงคือว่าท่านไม่ได้เป็นจริงเหมือนที่คนเ้าดา่าบางทีก็ถูกใส่ร้ายก็มีหาเป็นคอมมินิสต์มาสอนหลวงวัดเทียงก็โดนดา่าว่าเป็นคอมมินิสต์หรือเปล่าว่าสอนรมะไม่เคยเหมือนคนอื่นเขาซึ่งครูบาอาจารย์แต่ละคนก็จะโดนดา่างนะ ต้องผ่านอุกศักด์แต่ท่านก็ผ่านพ้นมาได้เพราะท่านมีคุณธรรมและไม่ทุกข์กับเรื่องพวก น, นี้อยู่เหนือโลกธรรมอาจารย์ไปสารก็ยังถูกด่าเลยระบาในเฟซบุ๊กบางคนก็ด่าท่านก็มีแต่ท่านก็ไม่ทุกข์คนชมก็มากแต่เราต้อาศัยคนชมไว้ก่อนคนด่านี่บางทีเรามีความสุขนับร้อยเรื่องพันเรื่องแต่ถ้าเราไปมองเรื่องไม่ดีแค่เรื่องเดียวเนี่ย ความสุขทั้งหมดเนี่ยจะสูญเสียไปทันทีเลยเพราะจิตจะไปไปเกาะอยู่กับอารมณ์ที่ถูกว่าถูกด่าถูกดินทาเราสังเกต ด, ดีดีนชีวิตของเราเนี่ยจะมีความสุขมากมายที่เกิดขึ้นประจาวันเดี๋ยวทักทา ย, ยคนนู้คนนี้เดี๋ยวได้ของเดี๋ยวทํางานทำประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมซึ่งมีความสุขมากมายรอเราอยู่แต่ถ้าเราวางใจให้เป็นปุ๊บถูกคนเขาว่าให้เรื่องเดียวเท่านั้นแหะ ความสุขที่เราได้เสียหมดเลยเหมือนกับที่อาจารย์นั้นอาจารย์ไปสารเคยยกยกตัวอย่างที่ว่าบนกระดานดําคือบางทีมีจุดดาถ้ามีมีกระดาษขาวเนี่ยแล้วให้นักเรียนชี้ให้เห็นจุดดานักเรียนจะจะไม่เห็นกระดาษขาวนะจะไปเห็นจุดดาเพราะจิตคนเราเนี่ยจะมีสัญชาตญาณมองไปทางแง่ลบซึ่งคนมีปัญญาก็จะมองในแง่บวกการได้มองในแง่ลบเนี่ยจะทุกข์ละคือเพ่งโทษแล้วก็จะไปเกาะเกี่ยวอารมณ์ คือออกจากอารมณ์นี่ยไม่ได้อารมณ์ที่ลบแปลอารมณ์ที่หนักมองโลกในแง่ร้ายแต่เราฟ้ามุ่งมั่นมองโลกในแง่ดีนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนขี้หมาให้เป็นดอกไม้ได้แล้วก็สามารถทําความดีได้โดยไม่ทออ้อถอยยังทำบ้าใหม่ๆเล่นเฟซบุ๊กคิดจะเลิกหลายครั้งละเพราะว่าไม่มีแรงจูงใจไม่รู้จะเขียนอะไรตอนแรกก็เล่นสนุกๆไปอย่างนั้นแ่พะพอตอนหลังม า, มาครบเป็นเพื่อนก า, จายจ่ายไม่สารเข้า ก็เริ่มมีแรงจูงใจที่จะโพธรรมะหรือหาข้อคิดข้อเห็ุที่ดีมาลงแต่มาก็เลยไม่เป็นต้องหาดอยู่ต้องนานตอนแรกก็มีเป็นเพื่อนกับพวกโยมหยุมทนายหยุมเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยท่านก็เป็นอาจารย์สอนบางทีท่านแชทก็มากดไม่ถูกอีกไม่รู้แชทตตแล้วส่งยังไงถึงตอนนั้นซึ่งเ Facebook นี่เล่นยากเหมือนกันใหม่ๆต้องมีอาจารย์คอาชี้แนะฮะแต่จุดเปลี่ยนที่เรามาเริ่มทํางานเป็นเว็บธรรมะขึ้นมาก็ตรงมาคบโยมพี่นบ คืออยู่อเมริกาซึ่งท่านเผยแผ่หลวงพ่อเทียนเผยแผ่อาจารย์โควิดอยู่ท่านมาดึงงานที่อาจามาโพสต์ไว้ดึงวีดีโอหลวงพ่อชาซึ่งทาให้อาจมาเห็นว่าเอ๊ะเราสามารถแชร์ได้เนี่ยหรือสามารถเอากลับมาใช้งานได้ซึ่งตอนแรกเรามาเล่นไม่เป็นคือโพสต์แล้วก็ทิ้งเลยแล้วก็เขียนคํานําก็ไม่เป็นแล้วก็เริ่มมีแรงจูงใจละแรงจูงใจเกิดขึ้นได้ก็เมื่อเราครบคนดีพอคบคนดีปุ๊บเราก็ เห็นประโยชน์นะครับเพื่อนอาจารย์ไปสานปุ๊บธรรมาก็เริ่มระวังแล้วเพราะเราอาจารย์เผื่อเราเล่นเฟซบุ๊กซีสัวหรือทําไม่ดีเนี่ยอาจารย์ตําหนิได้มันก็มีแรงจูงใจให้เราทําความดีแล้วก็ขวนขวายหาลูกสวยๆมาลงหาธรรมะข้อคิดดีๆมาลงให้เพื่อนได้อ่านกันใหม่ๆคนก็ไม่รู้จักพระสุรินทร์เป็นใครปมาจากไหนธรรมะเขเขียนลงไปเรื่อยแหละตอนแรกเขไม่ระวังคนมาถูกใจหรือโพสหรือแชร์แต่เราทําบ่อยๆแล้วมีการพัฒนา จากตอนแรกที่ทําไม่ค่อยเป็นก็เริ่มเริ่มเป็นงานแล้วสามารถสร้างอัลบั้มได้พิมพ์อาทําออกมาที่แบบหน้าอ่านขึ้นก็งานเหมือนสอนประสบการณ์ต่างๆจากเล่นไม่เป็นก็ค่อยเล่นเป็นแชร์เป็นติดแท็กเป็นมีมารยาทในการเล่นซึ่งใหม่ๆแล้วก็เล่นไม่เป็นไม่ค่อยรู้เรื่องมารยาทเท่าไหร่ไปขอเพื่อนคนนู้นคนนี้ซึ่งบางก็บางทีก็ถูกเ facebook บล็อกไว้ก็มีเป็นเพื่อนคนอื่นมากไปคือไม่รู้กติกา ซึ่งงานมันสอนพอตอนหลังเรารู้กติกาปุ๊บล้วก็ทําตามระเบียบการเล่นก็ราบลื่นขึ้นคนเริ่มรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆคนเริ่มมาอ่านธรรมะที่โพสตซึ่งอรรมาก็จะโพสต์ของหลวงพ่อพุทธทาสซึ่งเป็นธรรมะเกี่ยวกั่อนธรรมะเป็นคนชอบก่อนพระง่ายดีและไม่ยาวเกินไปส่วนขออาจารย์ภาษาธรรมาโพสแระจําอยู่แล้วถือว่าโพสของท่านเป็นหลักเพราะท่านจะมีแง่คิด มีมุมมองที่มากซึงทำให้เพื่อนที่อ่านได้ประโยชน์คือบางคนอ่านแล้วปิ๊งเลยออกจากปัญหานั้นได้ซึ่งมีมากมายพอ ม, มาอ่านเฟตบุ๊กที่อาตมาโพสเนี่ย mm. ก็แก้ปัญหาได้จริงๆเพราะข้อคิดข้อเขียนของอาจารย์เนี่ยไม่ล้าสมัยแล้วเราไม่ใช้บาลียินเกินไป เป็นภาษาที่เหมาะคนยุคใหม่แล้วก็ของหลวงพ่อคำเขียนนรมาก็ลงอยู่เป็นระยะระยะซึ่งหลวงพ่อจะพูดธรรมะเกี่ยวกับผู้ดูผู้เป็นหรือเห็นแล้วไม่เป็นอะไรกับอะไรซึ่งเป็นขั้นปรมัตารย์ซึ่งนรมาก็จะนานานโพ์ทีนจะเน้นข อ, อาจารย์ภาษาเป็นหลักแล้วก็ขูบาอาจารย์ท่านอื่นจากหลวงพ่อชาแล้วพุทธพจน์สุภาษิตต่างๆก็นามาลงแล้วก็กิจกรรมของวัด เมื่อจะเป็นการงานต่างๆอันมาก็นำลงอยู่เรื่อยเสนอต่อชาวโลกวัดเรามีทำอะไรไว้อย่างอย่างอันมาก็ประทับใจอยู่อัลบั้มหนึ่งอัลบั้มสร้างบ่อน้ำซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดถ่ายพอถ่ายปุ๊บเราสามารถเห็นรอยความสามคัคคีตั้งแต่เพื่อนๆพนพระในวัดเริ่มขุดดินซึ่งมีความลึก2เมตรแล้วก็สูง2เมตร เริ่มลงมือขุดแล้วหลวงพ่อก็มายืนข้างๆยืนยืนยืนยืนดูอยู่ซึ่งเป็นงานที่ทํายากซึ่งภาพวาดเราเร่วมแรงร่วมใจกันสามเมคีถึงทําให้นานก็เสร็จเป็นรูปบนล่างจากคืออาณาตถ์ถ่ายตั้งแต่ยังไม่ขุดเลยนะไปดูปุ๊บก็เห็นขุดจนเป็นบ่อ น, น้ําจนวิชัยมาวาดรูปนกสวยๆให้เราได้ดูกันอันนั้นเกิดจากการสามเมคีร่วมแรงร่วมใจถ้าเราไม่สามเมื่อคีเราไม่สามารถทํางานใหญ่อย่างนี้ได้ ซึ่งงานใหญ่จะต้องอาศัยความสามคัคคีของหมู่คณะอย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนพานในวัดเราก็ช่วยการทำความสะอาดคือละเพดานสาราหน้าซึ่งตอนแรกอนมาคิดว่าทำสองาวันกวจะเสร็จเพราะทุกปีจะทำประมาณนั้นแต่ปีนี้ทำแค่บ่ายสองโมงกว่าก็เสร็จละซึ่งแต่ละคนทำด้วยความสนุกทำด้วยความแบบเพลิดเพลินแล้วก็มีฉันทะในการทา ซึ่งงานอัตมาดูก็ททำยากนะเพราะต้องปีนปีนแล้วอยู่ที่สูงด้วยเวลาเช็ดเดี่ยกเช็ดยากน้ำกระเด็นเข้าตาซึ่งแต่ละคนก็ไม่ย่อท้อยากก็ไม่ไม่เป็นไรพอทำด้วยความสนุกแล้วก็ร่วมร่วมแรงร่วมใจกันไม่นานก็เสร็จพอเสร็จแล้วทุกคนก็มีความสุขกันหมดมีผลงานเพราะว่าปีหนึ่งทาครั้งเดียวศาลาหน้าเนี่ยเป็นที่ที่ส่วนรวมได้ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ โยมาทำบุญก็มาทำที่ศาราน้ามาปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติธรรมที่สาลาน้ามาฉันอาหารหรือรับประทานอาหารก็ทำที่ศาลาหน้าคือสาราน้าเป็นจุดรับแขกแล้วก็งานอีก อ, อีกอย่างหนึ่งก็คืองานงานแทงน้ําที่วางแท ง, แทงน้าทุกใหญ่มากซึ่งทํายากด้วยแต่ก็สําเร็จร่วงไปได้ดีเพราะว่าพระในวัดเรามีความสามารถหลายหลายท่านแล้วก็ พรเพียกันทําความสามาัคคีของหมู่คณะจึงจำเป็นมากถ้าชุมชนใด ม, ม, มีชุมชนนั้นก็จะเลอลุ่งเรืองตอนนี้ก็จะมีอีกไม่นานก็จะมีการเดินธรรมยาตาครั้งที่13ซึ่งก็ต้องอาศัยความสามาัคคีความเสียสละธรรมยาตาจัดมา12ปีแล้วจุดประสงค์ก็เพื่อให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อหเห็นคุณค่าของป่าไม้ภูเขาลำธารแล้วก็เพื่อใช้ชีวิตให้สมดุลซึ่งถ้าชาวบ้านบ า, บางคนไม่รู้ก็จะเผาป่ามั่งเอาเอ า, เอาปุ๋ยหอเหลียวยาเคมีฆ่าหญ้าไปใส่ซึ่งทำให้ผืนดินเสียเสียความสมดุล บางทีก็น้ําก็เป็นพิษก็มีหรือพิษก็แทกซึมผิวหนังก็มีซึ่งคณะธรรมชาตาก็จะเผยแพร่ความรู้แล้วก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความตระหนกักรักในธรรมชาติขึ้นมาไม่ตัดลายตัดไม้ทําลายป่าพอเรารักธรรมชาติธรรมชาติก็รักเราเพราะว่าธรรมชาติกับมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกันอย่างภาทิศเนี่ยให้ความร้อนกับโลกแล้วก็ให้อุณหภูมิพอเหมาะ แม่น้ําต่างๆก็จะเกิดเป็นไอไอน้ําแล้วก็เกิดเป็นฝนฝนก็ตกขึ้นมาให้เราได้ใช้กันซึ่งถ้าเราทําความไม่สมดุลกับธรรมชาติคือตัดไม้ทําลายป่าก็จะทําให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือน้ําท่วมได้เพราะต้นไม้เนี่ยจะดูดซึมน้ํามาหล่อเลี้ยงผอไม่มีต้นไม้ก็จะทําให้เวลาปล่อยลงมาทีหนึง่งก็จะไม่มีต้นไม้ดูดซึมก็จะไหลลงไปทําให้ท่วมทั่วบ้านเมืองแล้วก็เสียความสมดุลทันที ซึ่งในโลกนี้คนเห็นแก่ตัวมากซึ่งเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าบางคนก็ลักลอบตัดไม้อเพื่อนําไปขายโดยไม่คํานึงถึงอุทุกภัยที่จะเกิดขึ้นซึ่งคนที่ทําประโยชน์ให้กับมหาชนจะได้ น, นิสงมากถ้าคนที่ทําลายผลประโยชน์ของมหาชนหรือคนส่วนมากก็จะกรรมหนักมากอย่างธรรมาจะเล่าอะไรฟังเกี่ยวกับอนามั ของโอวาสีถ้าเหลียวฝานจะมีอยู่ท่าจะบันทึกไว้เวลาท่านทำความดีต่างๆแล้วก็ทําไม่ดีจะบันทึกไว้หมดคือท่านตั้งใจทำความดีให้ได้สามพันครั้งซึ่งคนเราจะมีจิตที่เป็นกุศลและไม่เป็นกุศลเวลาท่านทําไม่ดีท่านก็จะบันทึกลงไว้ด้วยพอทํำทําคว า, า, ามดีแต่ละครั้งท่านก็บันทึกไว้ท่านใช้เวลาบันทึกไว้ต้องสิบปีเพื่อครบสามพันครั้งเพราะว่าสิ่งที่ไม่ดี มีมากเหลือเกินคือบันทึกแบบตรงไปตรงมาซึ่งคนเราเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่ไม่เข้าถ้าเราเข้าข้างตัวเองนะเราก็จะคิดว่าเราเป็นคนดีแต่ถ้าเราเป็นคนมีใจเป็นกลางและยุติธรรมเราจะเห็นความไม่ดีของตัวเราเลยเราเนี่ยจะเป็นคนขี้ฉาโลภเห็นแค่ตัวแล้วสิ่งไม่ดีต่างๆก็มากมายเดี๋ยวโกรธพยาบาทถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมจะไม่เห็นอารมณ์ตัวนี้นะ เราจะเพ่งโทษโทษคนอื่นว่าไม่ดีโทษฟ้าดินบ้างโทษสิ่งนู้นสิ่งนี้เราจะไม่หันมาพัฒนาตัวเองซึ่งคนทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้ถ้าเรารู้จักตัวเองแต่ถ้าไม่รู้จักก็จะไม่มีการพัฒนาเกิดมาก็เสียชาติเกิดเดี๋ยวก็ตายเปล่าไรคุณค่าฝานได้บันทึกไว้พอครบสามันครั้ง ท่านก็ปลื้มใจมากแล้วท่านก็อธิษฐานว่าจะทําความดีหมื่นครั้งก็เริ่มบันทึกใหม่อีกแต่แต่ท่านทํายังไงก็ก็ท่านก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้จะทำไงครบหมื่นครั้งนะเพราะยากเหมือนกันไม่ได้ทำง่ายๆแต่ท่านเป็นนายอำเภอแต่ท่านก็ตั้งใจจะทำมีอยู่คืนหนึ่งเทวดาไปเข้าฝานันบอกว่าท่านทําความดีครบหมื่นครั้งแล้วท่านก็งงเอ๊ ะ, ท, อะทําเมื่อไหร่เทวดาก็บอกว่า ท่านเป็นนายอำเภอท่ลดภาษีข้าวให้กับรัษฎรในเขตปกครองของท่านซึ่งทําแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ท่านไม่ได้ใส่ใจอันนั้นคือความดีหมื่นครั้งทาประโยชน์ให้กับมหาชนเนี่ยถ้าได้บุญจะได้บุญมากแต่ถ้าได้บาปก็ได้บาปมากอย่างประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลโกงกินภาษีของรัษฎรหรือราชการคอร์รัปชันอันนี้เป็นกรรมหนักมากซึ่งจะส่งผลกระทบไปที่ลูกหลานด้วยที่งวงตระกูลด้วย ไำใ้คนประนามสาบแช่งฟ้าดินก็ลงโทษแต่ถ้ า, าทําความดีให้กับมหาชนเราไม่โกงกินไม่คอร์รัปชันช่วยเหลือรัษฎรผู้ตกยากอันนั้นเราก็ได้ฟ้าดินก็ช่วยเหลือเราทําให้เรามีคนนับหน้าถือตามีคนสรรเสริญซึ่งคนเราเนี่ยก็มีแค่ปากท้องแต่เราไปหาอาไปโลบเอามาก็กินได้เท่านั้นแหละสังเกตคนรวยคนจนก็ ม, มีมีร่างกาย การกินอาหารไม่ได้หนีกันเท่าไหร่กินเสร็จแล้วก็ถ่ายแต่เราคิดได้เป็นเราก็อยากได้ได้มาแล้วก็ไม่ได้ใช้ซึ่งบางทีกิเลสมันหลอกให้หามากๆบางทีเศรษฐีหมื่นล้านมีฐานะปานกลางเนี่ยบางทีคนมีฐานะปานกลางจะมีความสุขมากกว่าเลยซ้ําเพราะเศรษฐีหมื่นล้านเนี่ยจะต้องมีกิจการมากไม่ค่อยว่างจะต้องห่วงทรัพย์สมบัติซึ่งวุ่นวายมากชีวิตจะไม่มีความสุขเลยแล้วก็จะมีคนที่มาประจบประแจงเพื่อหวังผลประโยชน์อีก ซึ่งพียคนธรรมดาซึ่งไม่มีใครมาโจกปัญแจงเพราะเราไม่มีผลประโยชน์อะไรจะให้ชีวิตเราก็เบาสบายซึ่งก็เชื่อมโยงกับที่มาพูดไว้ได้ว่าการทําประโยชน์กับมหาชนเนี่ยด้านนี้สูงมากถ้าทําโดยไม่หวังจะเอานะยิ่งถ้าเรายิ่งให้เราก็ยิ่งได้ถ้าถ้าเราไม่ให้เนี่ยก็มีใครอยากให้เราหรอกสังเกตนะคนที่ทําประโยชน์ให้กับมหาชนทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมเนี่ยคนก็อยากทําบุญ แล้วก็อยากให้ของซึ่งใครเป็นคนโลภเห็นแกนตัวเนี่ยคนก็ไม่อยากทําบุญไม่อยากให้ของเห็นหน้าก็มนลังสีลังสีการที่แบบผักออกอ่ะเห็นหน้าซึ่งให้ไปแล้วไม่รู้ไปทําอะไรเผื่อไปส่งเสริมกิเลสแต่ถ้าให้คนที่ก็ทําความดีทําประโยชน์กมหาชนก็ได้ประโยชน์มากประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ส่วนรวมยังธรรมญตาที่จะทุกครั้งก็จะเน้นเรื่องประโยชน์ส่วนตัว แล้วก็ส่วนรวมด้วยเพราะขนาดที่เราไปเดินธรรมยาตาเนี่ยเราก็ได้ฝึกคามอดทนฝึกการเปอยู่ของหมู่คณะซึ่งต้องไปกางเต็นท์นอนตอนเช้าต้องรีบเก็บละบางทีผิดที่ผิดทางด้วยต้องตื่นตัวตลอดเวลาแล้วต้องปรับตัวให้เข้ากิกจกรรมของหมู่ซึ่งเท่ากับเป็นการฝึกตนเองซึ่งนคนขี้เกียจเนี่ยจะทุกข์มากเลยถ้าไปเดินธรรมยาตาเนี่ยเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีตารางบังคับแน่นอน อยถึงเวลาต้องเดินละถึงเวลาพักซึ่งแต่ละแต่ละคนเนี่ยถ้าไปได้แบบมีฉันทะเต็มใจไปจะมีความสุขมากเลยเพราะได้ฝึกตนเองแล้วก็ทาประโยชน์กับส่วนส่วนรวมคือได้ฟังธรรมจาก อ, อาจารย์บปยสารแล้วก็ฟังธรรมข้อคิดต่างๆจากวิทยากรหลายท่านซึ่งมาให้ความรู้ซึ่งก็เป็นประโยชน์กับชุมชนแล้วธวยถ า, าเคลื่อนไปที่หมู่บ้านใด ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็บางทีก็เราก็นําของไปจําหน่ายในราคาถูกๆให้ได้ใช้สอยซึ่งมีประโยชน์ซึ่งกันและกันซึ่งก็นำํำฝาบเจริญไปสู่ชุมชนแล้วก็ทําให้ชุมชนนั้นมีความสุขชาวบ้านก็ได้มาทําบุญตักบาตรกับพระแม่ชีแล้วก็คณะธรรมยุตตาทําให้การทําบุญก็ต้องเสียหละนะ ในการบําเพ็ญบาเพ็ญทานคือหรือจาคะในการลดความเห็นแก่ตัวถ้าคนชีนเหี่ยวเนี่ยจะไม่อยากบริจาคทานไม่อยากทำบุญก็ะจะมีความโลภเป็นตัวขวางอาตมาเทศทุกครั้งเนี่ยจะเน้นตัวนี้จะเน้นให้เราเนี่ยไม่เห็นแก่ตัวเพราะการเห็นแก่ตัวเนี่ยจะเป็นการเห็นแก่อัตตาเห็นแก่ตัวกูของกูซึ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้อง ต้องเน้นการทำลายความเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนเรื่องส่วนตัวเหมือนกับเราถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็จิตเราก็จะมีการพัฒนาตัวตวนเราก็จะน้อยลงการปฏิบัติธรรมก็ง่ายแต่นักปฏิบัติธรรมบางท่านเนี่ยเห็นกก่ตัวเห็นกับประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวมเราไม่ช่วยหลบหลีกทุกชนิดอันนั้นปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าหรอกเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็น เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมกันซึ่งการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าเราต้องสามารถรับอารมณ์เผชิญอารมณ์ข้างนอกได้เจออาลมกระทบรู้ทันทำให้เราเดาทำลายอัตตาได้แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมล้ววางใจผิดเราก็จะมีอัตตาคิดว่าตัวเองเก่งเหนือนคนอื่นกูนี่แน่ดีเด่นเหนือนคนอื่นบางทีเดินผยองหรือการพูดจาซึ่งม่อ น, น้อมถ่อมตน ซึ่งนักปฏิบัติธรรมที่ดีจะต้องฝึกเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยเคารพผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนจึงจะได้ผลแล้วก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวซึ่งถ้าเราทําอย่างนี้ได้เวลาเราภาวนาก็ง่ายเพราะจิตที่เป็นกุศลจิตที่เมตตาเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีจิตที่อ่อนโยนง่ายต่อการปฏิบัติ พิการจิตที่หยาบ ก, กระด้างทําเพื่ออัตตาเราก็จะมองว่าเราเก่งเหนือคนอื่นบางคนจะตั้งตัวเป็นพระเป็นพระรยะบุคคลด้วยซ้ำเพราะความหลงผิดซึ่งพระรยะบุคคลเนี่ยจะต้องมีสีลห้าที่บริบูรณ์อย่างโสดาบันขึ้นไปนจะต้องมีสี่ห้าบริบูรณ์แล้วก็ต้องลดอัตตาแล้วเราสามารถเช็คได้ว่าเรามีอัตตาอยู่หรือเปล่าถ้าเราอยู่มีอัตตาอยู่ยังละศัลยะทิฏฐิไม่ได้เราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่คนเราสามารถเช็คได้ตัวเองอยู่ภูมิอะไร ภูมิทั้งหกเนี่ยอย่างใครมีเมตตากรุณามุยเตาเบขาก็อยู่ในภูมิของผมใครจิตใจบีโทซาเล่าร้อนโกรธผูกพยาบาทนี่ก็เป็นสัตว์นรกคือตกกัรกใครมีความโลภมากๆก็เป็นเป็ดใครหลงมากๆมึนๆงงๆทั้งวันเผลอเหม่อเข้าไปในความคิดพวกนี้ก็อยู่ในภูมิของสัตว์เดรัจฉานใครเป็นคนขี้กลัวกลัวนู่นกลัวนี่วิตกกวนอันนี้ก็อยู่ในภูมิของอสุรกาย แต่ภูมนุษย์นี้มนุษย์นี้ก็เป็นภูมิกลางๆเดี๋ยวทุกข์มั่งเดี๋ยวสุขมั่งอันนี้จเช็คได้ภูมิจะเปลี่ยนแปลงทั้งวันคือว่าเปลี่ยนแปลงเกิดเกิดดับๆเดี๋ยวเราก็ไปอยู่ภูมินี้เดี๋ยวเราก็ไปอยู่ภูมินู้นแล้วสิ่งเราทำถ้าเรารู้ตัวเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนพบภูมิละเดี๋ยวก็ตกไปสุ่สัตว์โลกถ้าเราหลงมากเดี๋ยวก็เป็นเทวดาละเทวดานี่จะมีความละอายใจมีถีโอตปะคือละอายกระบาป อันนี้คือคุณธรรมของเทวดาสํานึกผิดว่าเราทําอะไรผิดไว้เราคิดว่าเราเนี่ยทําผิดแล้วเราจะกลับตัวเป็นคนดีอันนี้เทวดาภูมิเทวดาแล้วซึ่งพบภูมิหกเนี่ยอยู่กับเราทุกวันเกิดระ ด, ด, ดับรดับตั้งแต่เรายังไม่ตายและวเราสามารถเช็คได้เราอยู่ภูมิไหนถ้าตายไปจริงๆก็ไปภูมินั้นทันทีนะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นมาพูดมาเนี่ยวันนี้ก็เน้นเน้นความเจริญของหมู่คณะ สามสามัคคีแล้วก็อยากเชิญชวนให้พวกเราเนี่ยสามัคคีการทำประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้สมบูรณ์ที่มาจะท่องก่อนให้ฟังเพราะเห็นว่าการแสดงธรรมก็สมควรกับเวลาก่อนนี้ท่านอาจารย์ผู้ท่านแต่งไว้เป็นมนุษย์หรือเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นได้พาะใจสูงเหมือนหนึ่งยูมีดีที่แววขน ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างมโนสงบถ้ามีคบควเรียกมนุษยษาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเป็นปีดาคืนวันสุขสันจริงใจสกรปรกมืดบัวและร้อนเล่าใครมีเข้าควเรียกว่าผีสิง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 จงมีกับญาติโยมทุกๆท่ททานสาธุ